เรื่องเล่านะว่าวัยรุ่นคนหนึ่งไปซื้อบุหรี่ลุงซึ่งเป็นเจ้าของร้านทอนเงินให้สี่สิบบาทตอนที่วัยรุ่นนั้นซื้อบุหรีนะ่เนี่ยก็ยื่นเงินไปให้ร้อยหนึ่งนะบุหรี่มันก็เจ็ดสิบที่จริงก็ได้ทอนไปสามสิบนะแต่ว่าแก คงเผลอไปนะทอนไปสี่สิบวัยรุ่นคนนั้นก็ที่แรกก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชินนะกำลังจะเดินออกจากร้านก็ได้ยินเสียงลุงเนี่ยตะโกนบอกาว่านะกลับมากอดนะแลืมบุหรี่เอาไว้ลืมซองบุหรี่เอาไว้ไวัยรุ่นคนนั้นก็เลยกลับไปเอาบุหรี่ แล้วก็เห็นว่าเออลุงคนนี้คนดีนะมีน้ำใจก็เลยคืนเงินนะสิบบาทให้บอกกับลุงว่าเนี่ยเมื่อกี้ลุงทอนเงินเกินมาสิบบาทสราบซึ่งน้ำใจที่ลุงเนี่ยอุตส่าห์เรียกมาเอาซองบุร่ก็เลยคืนให้สิบบาท ลุงก็เห็นว่าเอยวัยรุ่นคนนี้คนดีนะก็เลยบอกว่างั้นเอาบุหรี่คืนมาไอ้ที่ให้ไปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นของปลอมนะเอาของจริงไปก็แล้วกันก็ยื่นบุหรี่ของจริงให้วัยรุ่นนี้ก็ยิ่งทราบซึ้งใหญ่เลยนะทราบซึ้งในน้ำใจนะของลุงคนนี้ ก็เขาขอบคุณใจนะแล้วก็ก็จะเดินไปนะลุงแกก็บอกว่ า, าให้ระวังนะของมีค่าเนี่ยให้ระวังเอาไว้แล้วก็คืนกระเป๋าเงินมาให้ลุงนี่ไปลวงกระเป๋าเงินจากหนุ่มคนนั้นไปเมื่อไหร่ไม่รู้นะ นายวรุณนัก็ยิ่งทราบซึ้งใหญ่ก็เลยหยิบสร้อยมือทองเนี่ยคืนให้ลุงนะก็บอกว่าลุงก็ระวังเหมือนกันนะของมีค่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะคือต่างคนเนี่ยนต่างก็ทันกันอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะที่เขาส่งเผยแพร่กันทางไลน์ก็เอาไว้อ่า น, นตลกตลกนะ แต่ว่ามันก็มีสาระของมันนะเพราะว่าพอคนหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มทาความดีให้ ก, กับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็เริ่มทาความดีเป็นการตอบแทนตอนที่ลุงเนี่ยแกจ่ายเงินทอนเกินไปสิบบาทนะแทนที่จะทอนสี่สามสิบก็ทอนสี่สิบเนี่ย หนุ่มคนนั้นก็คิดจะโกงแล้วนะแต่เปลี่ยนใจนะพอลุงเนี่ยมาบอกว่าลืมซองบรีเอาไว้นะให้มาเอาคืนนะพอได้ไปแกก็เออลุงเขาดีนะก็เลยคืนเงินสิบบาทให้พอลุงได้สิบบาทคืนก็ดีใจนะ เอ อ, อ น, นี่เป็นคนดีฮะก็งก็เลยบอกความจริงก็แล้วกันนะว่าไอ้บุหรี่ที่เอาไปมันบุหรี่ปลอมนะยืนบุหรี่จริงให้หนุ่มคนนั้นก็ทราบซึ้งน้าใจนะก็เลยบอกว่าเนี่ยไบแบงค์ที่ให้ไปแบงค์ร้อยเมื่อกี้เนี่ยมันก็ปลอมเหมือนกันนะขอคืนนะแล้วก็ยืนแบงค์จริงให้นะ ลุงก็ยิ่งดีใจใหญ่นะเอออ น, นี้เป็นคนดีเมื่อกี้ลวงกระเป๋าเงินก็เลยคืนให้พอลวงกระเป๋าคืนได้ไอ้ห น, นุ่มคนนั้นก็ก็ยอมคืนสร้อยคมอมสร้อยมือทองนะของคุณของลุงคนนั้นเนี่ยต่างคนต่างก็คิดจะหาประโยชน์จากกันนะแต่สุดท้ายก็ ยอมที่จะเอเื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเพราะว่ามันมีคนหนึ่งเริ่มทำความดีก่อนอีกคนก็เลยทำความดีตอบพอได้ความเอื้อเฟื้อนะเขาก็เลยตอบแทนด้วยความดีมากขึ้นอันนี้มันก็แสดงว่ามันก็สอนว่าความดีเนี่ยมัน ความดีของเราเนี่ยมันสามารถจะดึงความดีของคนอื่นอน อ, อกมาจากใจเขาได้แม้สองคนนีจะคิดจะเอาประโยชน์จากกันนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ก็ช่วยเหลือกันนะั่นทะเลาะหาสาระจากเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นคติสอนใจนะว่าคนเราเนี่ยควรทำดีต่อกัน แม้แต่คนที่เขาเอาเปรียบเราก็เช่นเดียวกันนะก็ควรใช้ความดีของเราน่ยแหละเนะี่ยเอาชนะใจเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้เจ้าได้สอนเอาไว้นะเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความตนหนีด้วยการให้เอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเอาชนะคําเท็จด้วยความความจริง ที่เราสวดพาหูเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นเรื่องของชยัยชนะของพระพุทธเจ้าแปดประการชายาัยชนะของพระองค์นะที่กระทาต่อคนสัตวนะ์มารพญานาคยักษ์แล้วก็พระพรหม คนนี้ก็มีตั้งแต่นะองคุลิมานนางจินจมาวิกานะีสัตว์นี่ก็ช้าง น, ะนาราคิรีนาราคิรีก็หมายจะทำรายพระพุทธเจ้านะถึงตายนะแต่พระองค์ก็ชนะด้วยเมตตานางจินจามาวิกานี่ก็พยายามที่จะใส่ร้ายพระเจ้าว่าทำให้ตเองท้องนะทำลายชื่อเสียง กะว่าจะทำให้ผลปี้เลยแต่พระองค์ก็ไม่โกรธนะใช้ความสงบนะใช้สันตินะก็สามารถที่เอาชนะนางจิตมาวิกาลได้หรือว่าองคุลิมานก็เหมือนกันนะพระองค์ก็ใช้ธรรมะเอาชนะนเวลาเราสวดเนี่ยก็ไม่สวด ไม่ควรสวดเพื่อเอาความคลังความศักดิ์สิทธิ์นะบางคนก็มีความเชื่อว่านถ้าสวดนะสวดทุกวนันทุกวนันนะก็จะหลอดพน้นจากอันตรายเอาชนะมารเอาชนะศัตรูได้นะจริจริงอันนี้ก็อันที่ส์ของการสวดนี่ก็มีอยู่ในบทสวดนี้นะอย่างที่เมื่อวานนี้เราแปลเนี่ยมันก็จะมีข้อความต่อสุดท้ายว่าเนี่ยถ้าสวดทุกวนันนะก็สามารถจะ มีชัยชนะเหนือศัตรูประสบความสุขความเจริญได้ที่ก็สสวนเนี่ยเพื่อให้ใจสงบแต่ถ้าเรารู้ความหมายเนี่ยและเราทำตามนะก็จะได้บทเรียนได้ข้อเตือนใจว่าต้องใช้ธรรมะเนี่ยเอาชนะศัตรูนะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีฤทธิ์อย่างพระพุทธเจ้านะที่สามารถจะเอาชนะ พยานากได้แต่ว่าเอาแค่คนด้วยกันเนี่ยนะหรือสัตว์เนี่ยเราก็สามารถจะใช้ธรรมะใช้เมตตาใช้ขันตินะหรือว่าใช้สติใช้ความนิ่งนะเอาชนะเขามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะถ้าเราฝึกเอาไว้หรือเราทดลองทำบ้างในชีวิตประจำวัน คนที่เขาเห็นแก่ตัวคนที่เขาเอาเปรียบคนที่เขาดุด่าว่ากล่าวยังมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยชื่อโจนจันไดนตอนนี้ก็มีชื่อมากนะเป็นนะเป็นคนที่บุกเบิกเรื่องการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายโดยการพึ่งตัวเองปลูกผักทาบ้านดิน แล้วก็พยายามเก็บพันธุ์พืชเอาไว้เพราะว่ามันกำลังจะสูญพันธ์หายไปจากเกษตรพันธสัญญาเนี่ยเกษตรเกษตรเชิงพันธุ์นี่นมันก็ปลูกพืชไม่กี่อย่างพันธุ์ไม้พันธุ์ พ, พืชที่มีค่าหลายอย่างก็กำลังจะสูญหายไปเพราะคนไม่ปลูกกันที่ไม่ปลูกเพราะว่าขายไม่ออกนี่ตวนเขาเลาว่าตอนที่เขาเป็นเป็นเป็นหนุ่มเนี่ยนะอยากร่ําอยากรวยก็ไป หากินในเมืองได้ไปเป็นพนักงานทำความสะอาดในโรงแรมก็ไปโรงแรมหรูนะแต่ว่าเจ้านายเขาเนี่ยเขาบอกไม่เคยเจอผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยเห็นหน้าก็ด่าเลยดา่ดาดา่านดะไม่มีใครชอบสักคนแต่ก็ต้องยอมทนนะวันหนึ่งพี่หญิงคนนี้ก็ให้ไปให้โจเนี่ยไป ขัดลูกบิดประตูในห้องพักของแขกลูกบิดเป็นทองเหลืองนะแม่บ้านคนนี้ก็บอกว่าให้ใช้บรัสโซ่บรัสโซ่นี่ขัดนะแกก็ขัดนะขัดด้วยความตั้งใจใกล้จะเสร็จละผู้จัดการโรงแรมก็เดินผ่านมาเพราะเห็นโจรทำอะไรอยู่ก็ตกใจแล้วก็ว่าเนี่ย ทำอย่างนี้ได้ยังไงเอาใช้บลัตโซขัดนะลูกบิดเนี่ยมันขัดไม่ได้ก็ว่าโจรแม่บ้านเนี่ยซึ่งเป็นคนสั่งให้โจรทําเนี่ยก็แทนที่จะแก้ต่างให้โจรก็ผสมโรงด้วยด่าโจรนะว่าโง่นะทํานี้ได้ยังไงทีแรกโจรก็ฉุนนะว่าตอนไอ้แม่บ้านเนี่ยสั่งเขาทาแต่ว่าตอนนี้มาดาา่าคนละ แต่ว่าสักพักช่วงขณะนั้นแกก็ยิ้มให้แล้วก็ยกมือไหว้นะขอโทษครับขอบคุณครับที่แนะนำแล้วหลังจากนั้นแกก็ไหว้นะแม่บ้านตลอดเลยทุกครั้งที่แม่บ้านดา่าแกแกก็ไหว้ขอโทษครับไม่ได้ไหว้อย่างเดียวยิ้มให้ด้วยคนก็ไปว่าโจรว่าเนี่ยบ้าหรือเปล่านะถูกดา่าแต่ว่ากลับไหว้คนดา่า ยิ้มให้ด้วยโง่หรือเปล่านะไปให้เขาขม่มให้เขาขี่แต่ว่าจนก็ไม่สนใจก็ทาไปเป็นเดือนนะจนทั้งวันนึงแม่บ้านเขามาก็เรียกเขาไปถามว่าเนี่ยฉันสงสัยไงเวลาฉันด่าเธอเนี่ยทำไมเธอถึงยกมือไหว้ฉันนะแล้วก็ยิ้มให้ฉันนะจนก็บอกว่าเนี่ยก็ขอบที่ไหว้เพราะขอบคุณไงขอบคุณที่ แม่บ้านทำให้เขาเนี่หันมาดูจิตดูใจตัวเองนะหันมารักษาจิตรักษาใจตัวเองนะเพราะว่าเวลาถูกว่าคนธรรมดาก็ย่อมโกรธนะแต่ว่าถ้าเรามารักษาใจของตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องทุกข์นะแกบอกว่าเนี่ยเออก็ขอบคุณแม่บ้านนะที่มาช่วยฝึกใจแก ก็บอว่าหลังจากนั้นนี้แม่บ้านนี่ก็เลิกนะเลิกเลิกว่าโจนอีกเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าใช้นะใช้ความดีเอาชนะนะใช้ความเมตตาใช้ความถ่อมตัวความอ่อนน้อมนะแล้ใช้สันติคนส่วนใหญ่นี่ถ้าหากว่าถูกดา่าก็ด่ากลับถ้าไม่ดา่าด้วยคําพูดก็ด่าในใจนะ แต่ถ้าด้าด้วยคำพูดนี่ก็ทำให้เกิดการทะเลาะบ่าแววงกันหนักขึ้ น, น, นเวลาเราเวลาเราศึกษาธรรมะเราเราสวดนะบทพาหุงเนี่ยนะก็ให้เรานะนึกอยู่เสมอว่าการใช้ท่าหูจเจ้าเนี่ย ม, มันสามารถจะเป็นชัยชนะของเราได้ถ้าเราทำตามพระองค์นะดยการใช้ธรรมะนะดยการใช้ความดีนะ ความดีนี่มันสามารถอัชนะความชั่วได้ที่จริงเราจะเริ่มต้นจากการให้ทานก็ได้การให้ทานเป็นวิธีง่ายในการที่จะชนะใจผู้อื่นมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเล่าว่าเนี่ยเขาขายของที่จตุจักรนะก็ไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีผู้ค้ารายใหม่ย้ายเข้ามา ตรงร้านที่ติดกับเขาเลยมาได้แค่วันสองวันก็เริ่มออกฤทธิ์นะเอาป้ายขนาดใหญ่เนี่ยไม่รู้เป็นป้ายโฆษณาหรือป้ายขายของเนี่ยมามาบังร้านเขาบังนี่บังหน้าร้านนี่หนึ่งในสามหรือเกือบครึ่งเลยนะเห็นแบบนี้ก็รู้ลวคนเนี่ยนะ เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แต่เพื่อนคนนี้เนี่ยนะชื่อพอรเนี่ยเขาก็ไม่ออกไปด่าเพราะเขารู้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาออกไปออกไปข้างนอกกลับมาเขาก็ซื้อผลไม้ส้มองุอง่นสองกิโลพอมาถึงก็ แวะมาเยี่ยมเพื่อนเพื่อนใหม่นะเราก็บอกว่าเนี่ยผมออกไปข้างนอกเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นผลไม้น่ากินก็เลยซื้อมาฝากคิดว่าคุณคงชอบเจ้าหมอั่นเนี่ ย, ยชื่อเปียกเนี่ ย, ยสมมุติชื่อเปียกทีแรกก็ตกใจนะก็ทำหน้าไม่ถูกนะเพราะไม่เคยรู้จักกันเลย ก็อยู่ดีก็มีเพื่อนมาซื้อของมาให้ก็บอกหลุดปามาเกรงใจเฮียพรานก็บอกไม่ต้องเกรงใจนะเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะพอพูดแบบนี้แถมซื้อผลไม้ให้ก็เลยคุ้นเคยกันคุยกันสนิทสนมเหมือนกับรู้จักกันมานาน เสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นพอเขามาเปิดร้านอ่ะพรเนี่ยเปิดร้านปรากฏว่าอ้าวไอ้ป้ายโฆษณาที่เคยบังหน้าร้านเขาหายไปละพรก็เลยไปไปถามเปียกเนี่ยเจ้าของร้านที่อยู่ติด ก, กันเนี่ยเอาว่าเฮียไอ้ป้ายที่วางไว้หน้าร้านเนี่ยติดตั้งไว้หน้าร้านเนี่ยตอนนี้มันหายไปแล้ะมันไปไหนเหรอ เปี๊ยกเลยบอกว่าไม่ได้ไปไหนหรอกนะมันก็อยู่ในร้านเนี่ยแล้วก็ชี้ให้ดูนะเอาป้ายเก็บเข้าไว้ในร้านแล้วอา้าวทาไมเฮียไม่มาวางไว้เหมือนเก่านะที่หน้าร้านเปี๊ยกก็บอกว่าเกงใจนะบางหน้าร้านเฮียนี่มันนะมันจะลูกค้าจะมองไม่เห็นนะวางไว้อย่างนันมันน่ากเกลียดนะเอามาเก็บไว้ในร้านดีกว่า กลายเป็นว่าเนี่ยคนที่เขาเห็นแก่ตัวนะแต่ว่าพอเขาได้รับความเมตตาได้รับความเป็นมิตรนะจากอีกคนหนึ่งเขาก็เปลี่ยนใจนะก็กลับมาแสดงความเมตตาด้วยแสดงความเอื้อเฟื้อด้วยเรื่องฐานนี่สําคัญนะมันสามารถเป็นเครื่องสมานน้าใจได้เราก็สามารถที่จะเอาชนะใจคนที่เขาเห็นแก่ตัวได้ บางทีคนเราค้นเห็นกับตัวนี่เขาก็ไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนเลวนะแต่เป็นเพราะว่าความฝ่ายดีในใจเขานี่มันยังมีพลังน้อยความเห็นกับตัวมีพลังมากกว่าการที่จะทำให้เขาเป็นคนดีได้หรือทำความดีนั่นก็คือการช่วยปลุกพลังฝ่ายดีให้มันเบิกบานให้มันเบิกบานขึ้นในใจมีพลังขึ้นมาในใจและ ว, วิธีนี้ที่ทำได้คือ ทำความดีกับเขาพอเราทำดีกับเขาเนี่ยมันก็ไปปลูกพลังความฝ่ดีในใจเขาขึ้นมานะทำให้อยากจะทำดีด้วยแล้วนะก็เหมือนกับที่วัยรุ่นคนนั้นคืนเงินนะอพอวัยรุ่นคนนั้นเนี่ยได้ได้ซองบุหรี่นะจากลุงแกกออ็อยากจะทำความดี ตอบแทนก็คืนเงินสิบบาทใหนะ้อันนี้นเป็นเรื่องที่เราสามารถจะเจอได้ในชีวิตประจำวันนะทานนี่มันเป็นเรื่องช่วยสมานน้าใจนะช่วยดึงความดีออกมาจากใจของผู้อื่นแล้วก็ดึงความสุขมาจากใจเราด้วยนะเมื่อเราทาแล้วเราก็มีความสุขเรื่องทานนี้ก็ควรทํากันทั้งนั้นนะ ไม่ใช่เฉพาะคารวานพระเองก็ควรนะอย่าไปคิดว่าพระเรานะให้ทานไม่ได้นะยิ่งต้องให้เพราะพระเราเนี่ยเป็นผู้นะเป็นผู้รับนะถ้าเราเป็นผู้รับมากเกินไปไม่รู้จักให้เนี่ยมันจะเห็นแก่ตัวถึงแม้ไม่มีเงินนะก็ให้อย่างอื่นได้ให้ให้ด้วยให้ด้วยสิ่งของหรือให้อาหาร หลวงพระพุทธานิโยนี่ท่านน่าสนใจนะตอนที่ท่านเป็นเนนท่านบวชใน้ น, นตั้งแต่เล็กนะเป็นเด็กกาพร้ายากจนมาบวชเนนวันหนึ่งฉันข้าวเสร็จนี่กำลังล้างบาตรอยู่ก็เห็นมีหมาหมาพร้อมจอนจัดนะโซเซโซซโซเซมาเหมือนกับว่าไม่ได้กินอาหารมานานท่านก็ไม่รู้จะเอาอาหารที่ไหนให้นะเพราะว่าล้างบาตรเสร็จแล้ว นะขยะก็ไม่มีอาหารสงสารก็สงสารนะหมาท่านทํายังไงรู้ไหมท่านเอามือล้วงเข้าไปในคอเลยให้อาเจียนออกมาอาหารที่อยู่ในท้องนั่นแนหะทั้งอาหารเก่าอาหารใหมน่นี่ออกมานะกองอยู่บนพื้นเลยหมามันก็เห็นมันก็ดีใจไหมมันมาฟุบลงตรงกองอาหารนะัในพอดนะีแล้วก็กินกินกิน กินจนมีเรื่องมีแรงเลยนะแล้วก็มันก็ขอบคุณนะมันก็รู้สึกขอบคุณอเนนเนนพุทธด้วยเนนไปไหนก็เดินตามมันมีเรื่อกมีแรงแล้ววันนี้เนนเขามีเมตตามากเลยนะอาหารไม่มีนี่พร้อมที่จะสละอาหารในท้องเนี่ยนะให้หมาเลยก็เป็นอั้นว่าวันนั้นทั้งวันเนนเนนก็หิวเลยนะ เพราะว่าอาหารเก่าอาหารใหม่ออกมาหมดแล้วแต่นี่ก็แสดงน้ำใจนะไม่มีอะไรให้ก็เอาอาหารนี่แหละอันี่ก็เป็นเครื่องฝึกใจได้เหมือนกันนะยิ่งถ้ามีเงินแล้วยิ่งต้องให้นะเมื่อสี่ห้าปีก่อนนี่มีข่าวพระรูปหนึ่งเป็นกิจิอาจารย์มรณภาพบอกว่าพอไป ไปเก็บของในกุฏินี่พกเงินเป็นทนบัตรแบงค์เล็กแบง์น้อยนะสิบบาทยี่สิบบาทร้อยบาทห้าร้อยบาทสมัยนั้นคงยังไม่มีแบง์พันสุกซ่อนอยู่ในกุฏิเนี่ยรวมแล้วนี่ประมาณยี่สิบกว่าล้านบาทใช้เวลานับเป็นวันเลยนะหลายคนฟังก็สงสัยโอ้ท่านเอาเงินมาจากไหนนะ แต่ที่จริงที่น่าสงสัยมากก็คือว่าทำไมท่านมีมากขนาดนั้นถึงไม่แบ่งไม่ไม่ทำประโยชน์เก็บเอาไว้ทำไมนะเป็นเกตเจอาจารย์คงจะมีคนมาถวายเยอะนะถวายเยอะมีมากมายขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช้นะแล้วก็ไม่ทำประโยชน์ด้วยนะอันนี้ก็ทำให้นึกถึงในสาวการที่มีเศรษฐีคนหนึ่งนะ แกก็อยู่อย่างยาจกนะมันไม่ใช่ประหยัด น, นะมันถึงขั้นตนหนีเลยกินข้าวปลายหักแล้วก็อยู่อย่างกระเบียดกระเสียนเสื้อผ้ากระปูปาพอตายนี่มีเงินทรัพย์มีเงินเยอะมากแต่ไม่มีลูกไม่มีหลานก็เลยถูกเก็บเข้าเป็นของคลังหลวงเรื่องนี้พอผู้จา้าได้ทราพพบพระยกระตว่าเนี่ยคนเนี้ยคนโง่นะไม่รู้จักมีทรัพย์ไม่รู้จักใช้ประโยชน์ มีทรัพย์ก็ต้องรู้จักใช้เพื่อเลี้ยงตัวหนึ่งแล้วก็เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะให้ให้ทานแต่พาพรูปนี้เนี่ยเ ก, เกจีจรยมีเงินมากมายนะเรียกวมาหาศาลเลยนะดิสิบกว่าล้านบาทแต่ไม่ไม่แบ่งไม่ไม่เกื้อกูลไม่ทำประโยชน์นะอันนี้ก็เพราะว่ารับอย่างเดียวนะพอรับอย่างเดียวเนี่ยไม่รู้จักให้มันก็กลายเป็นนิสัยนะเป็นนิสัยที่ให้ไม่เป็น เก็บอย่างเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นคนงโง่ชนิดหนึ่งนะเป็นเป็นคนผ่านชนิดหนึ่งมีซ้ำแล้วไม่รู้จักใช้นะนแล้วก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวมากขึ้นางการให้ทา น, เ, นเป็นสิ่งที่ต้องต้องทํานะแม้แต่เป็นพระก็ต้องรู้จักให้ทานนะนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องคาระวะทนนั้น อ น, นี้นอกจากทานแล้วศีนี่ก็สําคัญนะศีนที่เรามาถือศีนกันเนี่ยนะก็เพื่อฝึกฝนต น, นการถือศีนในวันพระเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเท่านั้นนะแต่ว่ายังเป็นการเจริญเนคขมะบา ร, รมีด้วยบา ร, รมีของพุทธศาสนามีสิบนะสามข้อแรกคือทานศีนเนคขมะศีนกับเนคขมะมันต่างกันอย่างไรนะ สิ่งก็คือไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะส่วนเน่คัมมะจะว่าไม่เบียดเบียนตัวเองก็ได้นะเพราะว่าถ้าหากเสพมากไปนะกินมากไปนี่มันก็เบียดเบี ย, บยนตัวเองนะคนที่หมกมุ่นแต่ในกามนะถึงแม้ว่าจะไม่ผิดศีลห้าเพราะว่ า, าการเสพกามนี่ก็เสพกับคู่ครองตัวเองเนี่ย แต่ถ้ามันไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อนมั่งมันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพการกินก็เหมือนกันนะกินวันละหลายมือ้อห้ามือ้อมันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพใจนี้ก็คนเราก็เจ็บป่วยเพราะไอ้การเสพมากเกินไปนั่นแหละศี่ห้านี่ยเป็นเรื่องการไม่เบียดเบือนผู้อื่นนะสีลแปดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการฝึกตนให้อยู่แบบเรียบง่าย ไม่ไปพึ่งพิงไม่ไปพึ่งความสุขจากกามนะไม่พึ่งกามมาสุขมีคนหนึ่งก็เขียนจบมาม า, มาถามว่ า, าการถือศีล น, นะศีลแปดเนี่ยโดยเราะข้อที่สามเนี่ยการไม่เสพเมทุนหรือว่าเมทุนวิรัตเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าได้ได้ยินว่ามีคนหนึ่งก็ก็ถือศีลแปดไม่ยุ่งกับเมียนะในวันพระ บอกว่าเนี่ยทำแล้วเนี่ยทาให้มันมีพลังนะการที่ไม่ไม่เสดเม่ทุนนะมันทําให้เกิดพลังขึ้นมามีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นเพราะถ้าเสดเม่ทุนเนี่ยมันเสียพลังไปจริง ๆ, จ, งๆจุด ม, มุ่งหมายการถือศีลแปดในราะข้อสามเนี่ยมันไม่เกี่ยวเรื่องพลังนะแต่เป็นเรื่องการฝึกจิตไม่ให้ไปพึ่งพิงกับการมาสุขคนเราต้องการความสุขนะแต่ว่าความสุขเนี่ยถ้าไปพึ่งพิงความสุขจากการมเนี่ย มันมันไม่เจริญน่ะนะเพราะมันมีความสุขที่ประณีตกว่านั้นคือความสุขที่ออกจากกามหรือว่าเนคขมมะความสุขที่เกิดจากเป็นความสุขที่ประณีตนะเป็นความสุขที่เกิดจากการอยู่แบบเรียบง่ายความสุขจากสมาธิภาวนาความสุขจากการที่รู้จักสละรู้จักปล่อยรู้จักวางคนเราเนะี่ยถ้ายัางยังมัวเสพสุขเนะี่ย ยังมัวเสพกามาสุขอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหัวจมูกลิ้นกายนะมันก็ยากนะที่จะไปพบกับความสุขที่ประณีตนะคือเนคขมมะสุขต่อเมื่อเราลองละลองวางกามาสุกนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสพบกับเนคขมมะสุขได้ง่ายขึ้นนะใหม่ๆก็ยากนะเพราะว่ามันโหยหานะถือศีลแปกก็หิว อยากจะดูหนังฟังเพลงนะอยากจะเห็นของสวยของงามอันนี้มันยังมีความหลงความไหลยอยู่นะแต่พอไดอ้อยู่กับความเรียบง่ายนะจากการถือศีลแปดจิตใจก็เริ่มจะสงบลงนะแล้วก็พบว่าการที่อยู่แบบง่ายๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นศีลข้อสามอพรมจริยาศีลนะข้อหกนะ การไม่วิการรพโชนาการไม่กินอาหารในเวลาวิการหรือว่าโดยเพราะข้อที่เจนนจักขีตะเนี่ยเรื่องความบันเทิงเรื่องลมเรื่องเที่ยวเรื่องเล่นก็วางลงซะปล่อยวางก็จะเริ่มสัมผัสความสุขที่ประนีตสมัยนี้เนี่ยสี่ข้อเจ็ดเนี่ยมันมันต้องขยายความใหกว้างขึ้นนะไม่ใช่หมายถึงการไม่ร้องรําทําเพลงไม่ดูการละเล่น ไม่ดูละครรวมไปถึงไม่ดูโทรทัศน์ไม่ดูหนังแล้วเนี่ยนะก็ควรจะรวมไปถึงว่าไอ้ที่เราเคยติดเรื่องแล้วก็ตามเช่นติด facebook ติดไลน์นะติดเกมออนไลน์เนี่ยไอ้พวกนี้ก็ต้องก็ต้องลองเลิกดูนะหลายคนเนี่ยเลิกไม่ได้นะถ้าไม่ได้เล่นเกมออนไลน์ไม่ได้เล่น facebook ก็จะกระสับกระสานะ่ายวัยรุ่นหลายคนนี่เป็นอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็เริ่มเป็นแล้ว นะถ้าเราถ้าเราไม่รู้จักห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้นะก็จะไม่มีโอกาสพบกับความสุขที่ประณีตได้ความสุขที่ไม่ต้องพึ่งรูปรดกลิ่นเสียงที่น่าพอใจแต่เป็นความสุขที่เกิดจากชีวิตที่เรียบง่ายเรือนเนคคัมมาสุขนะที่ให้ถือศีลแปดเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อเพิ่มพลังชีวิตหรือว่าเพื่ออะไรนะ แต่เพื่อให้เราได้มีโอกาสเข้าถึงความสุขที่ประนีตนะแล้วความสุขที่ประนีตเนี่ยมันจะส่งเสริมการทำความดีตรงข้ามนะการสุขเนี่ยถ้าเราไปติดมันเนี่ยมันจะอาจจะส่งเสริมไม่ทำชั่วได้นะ mm hmm. เช่นอยากได้ของก็ไปขโมยเขา mm hmm. เห็นผู้หญิงสวยเกิดราคาขึ้นมาก็ไปชำเราเขาแต่ถ้าเกิดว่าปรารถนาความสุขที่ประนีแล้วก็ได้สัมผัสมันเนี่ย จะเป็นกุศลนะก็คิดแต่จา ก, การคิดถึงการทําความดีไม่อยากทําชั่วเพราะทำชั่วแล้วทำให้จิตกระด้างจิตหยาบไม่สามารถจะสัมผัสกับความสุขที่ประณีตได้นะีาการถือศีลเนี่ยนะอุโบสถเนี่ยถือศีลแปดเนี่ ย, ยให้เราเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของความขลังไม่ใช่เป็นเรื่องของนะการสะสมบุญเพื่อไปเกิดเป็นเทวดาในชาติหน้าหรือเพื่อจะได้มั่งมีนะมีโชคมีลาบนะ แต่เพื่อเป็นการขัดเกลวจิตใจของเราให้ประนีดนะให้เราเนี่ยไม่เสพติดในการมสุขรู้จักวางมันลงแล้วก็เพื่อจิตใจเราจะได้เป็นอิสระและสามารถจะเข้าถึงความสุขที่ประนีดที่เป็นกุศลที่ช่วยส่งเสริมการทําความดีให้งอกงามมากขึ้นแล้วมันก็จะไปส่งเสริมภาวนานะพอได้พบกับเนคขมมาสุขแล้วก็จะมีแรงส่งนะ ให้อยากจะภาวนานะไอ้ที่ภาวนาไม่ได้เพราะว่ายังติดในกามอยู่ติดในของอร่อยอยากจะฟังเพลงอยากจะไปเที่ยวห้างอยากจะเล่นเกมมันเลยนั่งนังนิ่งๆภาวนาไม่ได้นะก็ต้องฝึกนะศิบแปดเนี่ยช่วยได้ทําให้ใจเราสงบทําให้ใจเราเย็นแล้วก็จะเป็นพื้นฐานสำหบการภาวนา